การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีสองแม่ลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านลูกชายมีชื่อว่าจอร์จจอร์ดถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่กตันอยู่ดูแลแม่ของเขาแทนบิดาของเขาที่เสียชีวิตไปได้อย่างดีขยันขันแข็งทำมาหากินช่วยเหลือเพื่อนบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ด้วยนิสัยอย่างนี้จึงเป็นที่รักของเพื่อนบ้านทุกคนในหมู่บ้าน ตราบจนเมื่อสองเดือนก่อนจอร์ดได้ตัดสินใจไปทํางานที่ชายทะเลอันอยู่ไกลจากหมู่บ้านนี้พอสมควรเพื่อที่จะไปหาเงินมาดูแลแม่ของเขาแต่บัดนี้เขาได้กลับมาที่หมู่บ้านด้วยสภาพที่ไม่ต่างอะไรจากขอทานจนมีชาวบ้านคนหนึ่งถามเขาว่าไหนก์เจ้ว่าจะไปสแสวงโชคไงล่ะจอร์ดฉันไอ้กลับมาด้วยสภาพที่แย่กว่าเดิมอย่างนี้เล่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรือจอรจึงเห็นไปยิ้มและพูดว่า ที่ไหนก็ไม่สู้บ้านดารกท่านจะมีจะจนจะสุขจะทุกข์ยังไงก็บ้านเราข้าจึงกลับมาต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากที่นี่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆกับแม่ของข้าบางทีโชคที่ข้าตามหาอาจจะอยู่ที่หมู่บ้านของเราก็ได้พูดจบจอร์ดก็หำเพลงเดินไปทางบ้านของเขาซึ่งอยู่ทางท้ายหมู่บ้านโดยที่ไม่ลืมที่จะแวะซื้ออาหารกลับไปฝากแม่ของเขาด้วยและระหว่างทางนั้นเองเขาก็ได้พบกับยายแก่หน้าตาน่าเกลียดคนหนึ่งนั่งพิจต้นไม้ใหญ่ริมทาง ดวงตาสีเขียวคล้ายแม่มดจ้องมาที่เขาเขม็งด้วยความแปลกใจจอตจึงร้องทักว่ายายยายครับฉันจากที่นี่ไปนานบางทียายอาจจะย้ายมาใหม่ใช่ไหมฉันจึงไม่เคยรู้จักยายไม่เคยเห็นยายเลยหญิงแก่หน้าตาหน้าเกลียดไม่พูดนางเอาแต่จ้องไปที่ถุงอาหารที่อยู่ในมือของเขายายเป็นอะไรหรือเปล่ามีอไรให้ช่วยไหมหรือจะให้ฉันพาไปส่งที่บ้านแดดก็ร้อนนะวันนี้ ทำไมยายออกมานั่งอยู่กลางป่าอย่างนี้เล่าว่าแล้วจอร์ดก็เดินตรงเข้าไปเพื่อจะเข้าไปประคองหญิงแก่คนนั้นแต่หญิงชราร้อว่าอย่าอย่าเข้ามาใกล้ข้าข้าเป็นโรกร้ายใครๆก็รังเกียจข้าแต่ข้าหิวน้ํำแล้วเกินน้ําเสียงสั่นเครือกับอาการหายใจรวยๆของนางทําให้จอร์ดนึกพอมว่าโรคร้ายเสียสนิทจอร์จเดินเข้าไปประคองร่างของหญิงชราและจัดการเอาน้ําให้ดื่ม เมื่อได้รับน้ำหญิงชลาก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นนางยิ้มและถามจอร์ดว่าชีวิตเจ้าต้องการอะไรเรือง่อ น, นมต้องการอะไรนั่นหรือครับยายสิ่งที่ข้าต้องการก็คือเงินทองสักจำนวนหนึ่งที่พอจะดูแลแม่ของข้าได้และต้องการภรรยาสวยๆนิสัยดีสักคนลูกเล็กๆสักสองสามคนและตัวข้าเองก็อยากเป็นที่พึ่งให้แก่คนในหมู่บ้านนี้เท่านั้นแหละหญิงชลาหน้าตาหน้าเกลียดยิ้ม เจ้านี่มักน้อยจริงๆเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าต้องการเท่านี้จริงๆเอาละ่ะเจ้าจะได้จำคําข่าวไนนะว้นะสวรรค์จะตอบแทนคนดีเสมอแม้ใครไม่เห็นแต่เบื้องบนก็เห็นฟ้ามีตาจั ก, กรวาลจะต้องเห็นข่าไปละผู้จบหญิชราหน้าตาน้ากี้ก็หายวับไปกับตาจอตกใจมากพยายามมองหาหญิงชราคนนั้นแต่ก็ไร้วี่แวว จอตึงรีบวิ่งกลับบ้านไปหาแม่ของเขาทันทีต่อมาอีกประมาณ2วันจอจมีเหตุจําเป็นจะต้องเข้าไปตัดไม้ในป่าเพื่อเอามาทําฟืนเมื่อเลือกต้นไม้ที่เหมาะแก่การตัดเขาก็ลงมือตัดทันทีแต่ก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นขวานอันแหลมคมของเขาไม่สามารถจะเจาะเนื้อไม้นั้นได้ไม่ว่าจะโหมแรงลงไปขนาดไหนเท่าไหร่เนื้อไม้นั้นก็ไม่มีรอยแม้แต่เพียงเล็กน้อยจอจึงนั่งลงพักที่โผลต้นไม้ใหญ่นั้น อย่างคนหมดแรงผสมกับความงงและประหลาดใจอะไรกันนี่เกิดอะไรขึ้นกับขวดนอันแหลมคมของค่าเรื่องขามันใช้มันมานานมันก็เลยทื่อไม่นะก็ก่อนจะออกมานี่เราก็รับมันแล้วดีนาะขณะที่พูดมือของจอรดก็สเปรยสปะไปสะดุดเข้ากับรูรูเลตที่อยู่คนต้นไม้ทีแรกเขาก็ไม่สนใจพอมือไปโดนได้รู้ว่าเป็นรูก็เลยรีบชักมือออกแต่สิ่งที่ติดมือมานี่สิ มันกลับทอประกายสีเหลืองอารามตาจอพินิษดูชู่ครู่ก็แน่ใจว่าสิ่งที่ติดมือขึ้นมานั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์และขนาดนั้นเองแววเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในอากาศข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมเจ้านมวสวรรค์จะตอบแทนเจ้าจั ก, กรวาลจะต้องตอบแทนเจ้านั่นเป็นเสียงของหญิงชาราน้าตาน้าีดคนนั้นจอจาได้และพยายามมองหาแต่ก็ไม่เจอ อย่าพยายามมองหาคา่าแต่นี่นะเพื่อตอบแทนความมีเน้ำใจของเจ้าเจ้าจงใช้ขวานอันแหลมคมของเจ้าค่อยๆแสะรูเล็กนั้นดูสิจอททาตามคําแนะนําของเสียงนั้นและเมื่อเขายิ่งแสะลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็พบว่ารูนั้นค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นและก็กลายเป็นโพรงใหญ่จอทเกิดอาการมึนงงแต่ก็ด้วยความสงสัยเขาจึงเดินตามทางเล็กๆที่ค่อนข้างจะมืด น, นั้นลงไปในโพรง ในที่สุดก็มาเจอกับห้องโถงใหญ่และที่นั่นเองเขาก็เห็นหีบเก่าๆขั้มคร่าวางเรียนอยู่บนตังและแต่ละหีบก็มีสิงโตหน้าตาดูร้ายร่างทับอยู่มันจ้องคัมเบกมาที่เขาแต่ทันใดนั้นเองเสียงหญิงแก่คนนั้นก็ดังขึ้นเบกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิงโตพวกนั้นจะไม่ทําร้ายเจ้าเพราะมันถูกสาปให้กลายเป็นหินแต่หน้าที่ของเจ้าก็คือ ต้องลากเอาสิงโตพวกนั้นไปโยนลงในสระน้ำที่อยู่ลึกเข้าไปน่เสก่อนและเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าต้องการในหีบ น, นั้นมีอะไรหรือครับยายข้าสงสัยมากเลยอย่าพึ่งถามเจ้าจงรีบทำตามข้ามิฉะนั้นมันจะไม่ทันการเสียงของยญิงชราทำให้จอร์จต้องก้าวตามความเรื่องเรานั้นและพอเข้าไปใกล้รูปปั้นสิงโตจอร์จก็อดหวั่นหวัว่นใจไม่ได้เพราะถึงมันจะเป็นแค่รูปปั้นแต่มันก็น่ากลัวมาก แต่เสียงอันร้นนนของหญิงชลาก็เหมือนกับว่าถ้าไม่รีบทำตอนนี้ทุกอย่างมันจะยิ่งเร็วร้ายก็ทำให้เขาต้องรวบรวมความกล้าค่อยๆ ย, ยกสิ่งโตที่หนักอึ่งนั้นไปโยนที่สะาาน้ำที่อยู่ห่างจากห้องโถงนิพพสมควรซึ่งกว่าจะครบ3สมตัวก็ทำเอาจอร์แท่หมดแรงจากนั้นเขาจึงกลับมานั่งพักที่ใกล้ๆต่างนั่นแหละและเผลอหลับไปรู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่ามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไป ต่างที่เขาพิงอยู่กลับกลายเป็นต่างโองห้องโถงนั้นก็กลายเป็นห้องโถงใหญ่ที่ประดับประดาไปด้วยเพชรดินจินดามีเสียงดนตรีอันไพเราะเพราะพริง้งขับกล่อมเหล่านางงามมาไล่ลามรอบตัวเขาและตัวเขาเองก็อยู่ในอาภรณ์ที่สวยหรูราวกับเป็นพระราชาก็ไม่ปานและที่มุมหนึ่งจอร์จก็เห็นอาหารด้านกายบึกบึนสานายยืนอยู่เหมือนคอยจะอารักขาเขาและที่สําคัญที่สุดขนาดนี้หีบสองใบที่เปิดอ้าอยู่นั้น ก็เต็มไปด้วยทองและเพชรนินจินดาที่ล้นทะลักออกมามันมากมายมากมายเหลือเกินที่พอจะทำให้ขอกลายเป็นมหาเศรษฐีของเมืองนี้ได้เลยทีเดียวส่วนไปที่สซึ่งดูเก่าที่สุดขี้เรที่สุดและเล็กที่สุดนั้นก็ยังคงปิดสนิทจอร์จไม่สนใจมันเลยเพราะกำลังงงงวยและตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าอะไรกันนี่ข้าอยู่ไหนข้าฝันไปใช่ไหมยายยายยา ย, ยายอยู่ไหนช่วยบอกข้าทีแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับข้า ไม่มีเสียงตอบจกหญิงชราคนนั้นจอร์จได้แต่นั่งงงขณะที่บรรดาสาวงามนั้นต่างร่ายรำและเขยืบเข้ามาใกล้จอร์ดทุกทีและนางคนหนึ่งก็หยิบขนมป้อนในเขาจอร์ดทำท่าจะอ้าปากรับแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นช้าก่อนนายท่านอยากกินอะไรที่นางคูงนี้ให้เด็ดขาดเสียงนั้นมาจาก น, นายทหารร่างบึกบึนหนึ่งในสามนั่นเองอยางไม่ทันที่เขาจะว่าอะไรสาวงามอีกคนก็เอาผลละมาไม่ยืนในเขา และเมื่อเขาอ้าปากเตรียมจะกินด้วยความหิวนายทหารอีกคนก็ร้องห้ามอีกคราวนี้นางงามอีกคนซึ่งงามกว่านางทั้งหมดในนั้นถือแก้วเหล้ามาหาเขาจ่อจ้องมองนางอย่างตะลึงกันเมื่อนางทําท่าจะป้อนเหล้าเขาความงามของนางบวกกับความกระหายน้ําเป็นทุนเดิมทําให้เขาไม่รอช้าที่จะรับแก้วใบนั้นแต่ก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะสัมผัสกับขอบแก้วก็มีวัตถุอย่างหนึ่งรอยเข้ามากระทบแก้วทําให้แก้วใบนั้นหลุดจากมือเขา น้ำกระเด็นไปเลอะหีบใบเล็กส่วนแก้วนั้นก็แตกกระจายทุกอย่างเงียบกริบลงในทันใดใครนะบังอาจบังอาจากว้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาขัดขวางการดื่มของเราใบหน้าจอนแดงกล่ำมือกำแน่นและลุกขึ้นหมายจะร้องเรียกหาคนที่ทําอย่างนั้นมาลงโทษแต่ทันใด น, นั้นหีบใบเล็กที่สุดที่ปิดอยู่ก็ค่อยๆเปิดออกตามด้วยความสีขาวเบาๆลอยนําออกมาเมื่อควันเริ่มจางลง ใครคนหนึ่งก็เริ่มปรากฏร่างต่อหน้าเขาใครคนหนึ่งที่ว่านี้เป็นสาวที่ช่างงดงามเหลือเกินงามกว่านางคนที่ถือเล่างามกว่าหญิงใดที่เขาเคยพบเจอมานางยิ้มให้เขารอยยิ้มนั้นก็งดงามและอบอุ่นอย่างประหลาดจอตกหลุมรักนางในทันทีนางอยู่ในอภร์ที่สมซ้อข้างๆกายมีถุงเล็กๆใบหนึ่งที่ปากถุงเปิดอ้าอยู่ทําให้มองเห็นทองที่มีจํานวนเล็กน้อยเท่านั้น จอร์จเดินก็ไปหานางเหมือนต้องมนสกดนางยิ้มรับและเอื้อมมือให้จอร์ดเขาก้มลงจุมพิษนางด้วยความสเสน่หาเจ้าเป็นใครจอร์จถามข้าตกหลุมรักเจ้าแต่แรกเห็นแล้วแต่งานกับข้าได้ไหมนางพยักหน้ารับแต่ข้าไม่ชอบที่นี่ข้าอยากไปอยู่ที่บ้านของท่านได้สิจอร์จตอบไม่ใช่เรื่องยากเลยข้าจะเอาเงินทองพวกนี้ไปขายเอามาสร้างบ้านหลังใหญ่ให้เจ้าอยู่ ข้าจะให้นางพวกนี้ตามไปรับใช้เจ้าและแม่ของข้าเจ้า ว, ว่าดีไหมละ่ะนางงามสายหน้าข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากท่านเงินทองที่อยู่ในหอเล็กๆนั่นและแต่หาร3ามคนนั้นอ๋อและก็แม่หนุมของข้าอีกคนข้าต้องการเท่านั้นยังโง่ไปหน่อยเลยพ่อหนุ่มท่านจะเลือกไปอยู่กับนางซัมซ้อในกระต่อบจะพังไม่พังแหลกของท่านหนึ่งนั้นหรือในขณะที่ท่านมีสมบัติพระสถานทุกอย่างอยู่พั่งพร้อมมีข้าทา มีบริวารคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนะนางงามคนถือเล่าร้องคขจวาวะขึ้นมาจอห์นหันไปมองประกายเพชรประกายทองสะท้อนเข้าในตาของเขาเหล่านางงามที่อยู่รายรอบเขาก็เริ่มได้รามอบความบันเทิงให้เขาอีกครั้งสลับกับหันมามองนางงามที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาเห็นเพียงผู้หญิงท่าทางจนๆคนหนึ่งเขาหันกลับไปมองข้างหลังที่มีทุกอย่างทั้งพร้อมแน่นอีกแล้วเขาก็ตัดสินใจจุงมือหญิงสาวคนจนท่าทางซอมซ่อเดินออกจากที่นั่น โดยที่นังเองก็ไม่ลืมหยิบถุงทองในเล็ก น, นั้นติดตัวไปด้วยเมื่อเขาเดินออกมานายทหาร3าคนนั้นก็ก้าวตามทันใด น, นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแสดงถึงความเจ็บปวดดังขึ้นเบื้องหลังเขาทําท่าจะหันไปมองแต่หญิงสาวกระตุกมือเขาไว้เป็นเชิงห้ามแล้วก็พาการวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นและทันทีที่ทั้ง5คนก้าวพ้นโพรงนั้นเสียงระเบิดก็ดังกึงกก้องต้นไม้ต้นนั้นถูกแรงระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆทั้งหคนจึงเดินทางกลับบ้านของจอร์ และที่นั่นเขาได้เจอกับหญิงชร า, าหน้าตาน่าเกลียดคนนั้นอีกครั้งนั่งอยู่กับแม่ของเขาทั้งคู่คุยกันอย่างสนิทสนมจอสงงไปหมดหญิงสาวจึงเล่าให้ฟังว่าข้าเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองต้นไม้ต่อมาพระบิดาได้แต่งงานใหม่กับแม่มดใจร้ายพระองค์ตกอยู่ใต้แหนางของนางแม่มดเชื่อฟังคําสั่งทุกอย่างแม้แต่การที่คิดเก็บข้าไวไ้ในหีบใบเล็กๆใบนั้นต่อมานางก็จัดการข่าพระบิดาของข้าและขึ้นครองเมือง เหล่าข้าทาทั้งหลายที่ไม่จงรักภักดีกับนางก็ถูกเสกให้กลายเป็นหินเป็นต้นไม้รวมถึง3ามทหารเสือที่จงรักภักดีกับข้าอย่าง3มคนนี้ด้วยส่วนแม่นมของข้านางก็พยายามต่อสู้กับนางแม่มดแต่ก็แพ้จึงถูกทําร้ายให้มีหน้าตาน่าเกลียดและออกมาทรมานนอกเมืองด้วยการเป็นขอทานของเขากินและเมื่อแม่นมข้าเห็นท่านก็รู้ว่าท่านเป็นคนดีและเป็นท่านคนเดียวที่จะสามารถแก้คําสาบนั้นได้ข้าขอบใจท่านมาก ที่ไม่หลงไปกับความฟุ้งเฟอ้อเงินทองที่นางแม่มดนั้นยื่มยื่นให้ไม่หลงไปกับภาพลวงตาเหล่านั้นและก็เลือกมากับข้าซึ่งไม่มีอะไรเลยเมื่อจอร์ดได้ฟังเรื่องทั้งหมดอย่างนั้นจึงเข้าใจเป็นอย่างดีจากนั้นจอร์จก็เอาทองก้อนหนึ่งของภรรยาไปแลกเป็นเงินสร้างบ้านหลังปานกลางสําหรับทุกคนให้อยู่รวมกันอีกจํานวนหนึ่งเขาก็เอาไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเอามาปลูกแล้วไปขายโดยมีนายทหาร3ามคนนั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง อ oh. และเขาก็มีลูกเล็กๆอีกสามคนที่มีแม่หนุ่มหน้าตาน่าเกลียดคนนั้นคอยดูแลจอร์จกลายเป็นเศรษฐีย่อมๆที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมที่คนในหมู่บ้านมักจะมีเรื่องให้เขาช่วยคิดและตัดสินเสมอแต่มีเรื่องหนึ่งที่เขาไม่เคยปิ ป, ปากบอกใครเลยก็คือเรื่องที่มาของภรยาแสนสวยแสนดีของเขานั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินทองลาบยศสารเสริญล้วนไม่จีรัง และไม่สามารถซื้อความสุขได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจเราทั้งสิ้นเป็นผู้กำหนดถ้าเราทำใจให้มีสุขกับสิ่งที่เรามีเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ